ปัญญาที่จะรู้อันนี้แหละนี่เขามาเห็นอ น, นัตตาไปว่าเนี่ยอันนี้ก็ได้สุขทุกข์ถึงบางครั้งมันอาจจะมีสุขมีทุกข์นั่นหมายเรื่อ เ, เผลอไปละวจิตเร า, ออาไม่ว่างแะพอจิตเราไม่ว่างเรามาเห็นโอ้จิตเป็นทุกเราก็เห็นมันก็สักเลยว่าเป็นทุกข์เป็นสุขเท่านั้นสบายก็รู้สึกสบายอย่างนี้เนี่ยเราก็อย่าไปหลงมั น, น, นมันก็เป็นสักเลยว่าเป็นเพลงสักห ร, รือว่าสบายหรือมันไม่สาบายก็สักหรือว่าไม่สบาย แล้วเราก็แก้ไขดิเอาแก้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เฉยๆเราก็ดูเฉยๆเราไม่ได้ไปต่อต้านอะไร น, ะนี่ยอย่างนี้เห็นอ น, นุต า, านีคำว่ า, าเดียนรอนก็ได้ทุกสุขหรือสิ่งทั้งมวลกนได้หรือเรียวกว่าธรรมชาติเราก็อยู่กับธรรมชาติเนี่ยทางกายทางใจคืออันนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ปรงแต่งเห็นความรู้สึกจะไม่มีอะไรมันไม่ปรุงแต่ง สถานะใดเราไม่เห็นความรู้สึก so เป็นเรารู้สึกมันจะปูนี้มามันจะมีทุกมีสุขทีเดียวมันจะเป็นความคิดนะเดี๋ยวนี้เห็นความรู้สึกมันจะไม่มีความคิดเห็นอะไรคือเห็นไปเห็นอย่างเนี้ยมันก็สักก็ไหวมันก็เป็นสักว่าดูอะไรก็สักว่ามันก็ไม่มีวิภาควิจารจิตเั็นใะมันจะหยุดความรู้สึกมันจะหยุดเห็นไหมความรู้สึกหยุดไหมได้พักไหม เนี่ยสงบละต้องไปทํานี่ไหนเขามีอยู่แล้วอ่ะให้เรารู้จักอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นเป็นเรารู้สึกมันจะมืดอย่างนี้มันจะมีปัญหาน่นะที่บอกว่าขี้เกียจมีไหมขี้เกียจมี้หมอย่างนี้มีขี้เกียจปะมีท้อแท้ไหมอย่าลืมอันนี้ให้เห็นอย่างนี้มันไม่มี ถ้าเป็นเรารู้สึกมันจะมีพอเรารู้สึกมีน่านเราก็ไหลไปตามความรู้สึกเป็นเรารู้สึกเป็นเรารู้สึกแเราท้อแท้เนี่ยเรอันนี้ให้เรามดูความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกมันก็จะว่างเลยพอเห็นความรู้สึกมันจะว่างพอเห็นความรู้สึกมันจะว่างไม่มีถ้าเป็นเรารู้สึกมันจะมีเป็นเรารู้สึกมันจะมีนะมีทุกมีสุข แต่ถ้าเราไปเห็นีจริงๆอ๋ยทุกสึ่มันก็สักว่างแล้ว <c oughs> มันก็จะว่างอีกอะแล้วก็ไม่ไปยึดถือละพอเห็นคว า, ามรู้สึกมันก็ไม่ไปยึดถือมันก็เป็นคว า, ามปล่อยคว า, ามวางนลยนะเนี่ยรู้จิตใชมันปล่อยมันวางมันไม่ติตไม่ยึดอะไรเนี่ถึงร่างกายมันจะปวดเมื่อยเราก็รู้มันปวดเมื่อยเราก็รู้จกักีค้ารู้จักผ่อนคลายสิเนี่ยรู้ธรรมะรู้อ ย, อย่างนี้รู้จักแก้ไขยอย่างนี้ รู้จักขึ้นไหมให้เรารู้จักธรรมชาติอย่างนี้ที่ผ่านมาไปตรงไหลวัดเห็นงนี้ไหมรู้จักอย่างนี้ไหมท่านนี้รู้จักอย่างนี้เห็นไหมชีวิตเราจะดีขึ้นมันถึงจะพัฒนาได้นะแต่ว่าร่างกายมันไม่แข็งแรงก็ไม่แข็งแรงเราทำได้ก็เอาแค่นั้นแค่ไหนแค่แค่นั้นเนื้อร่างกายเราไม่ยดีอย่างเงี้ยเออเ อ, อ่อทำมากแล้วมันจะเหนื่อยมันจะอะไรอย่างนี้ มันก็เหมือนขาของใช้มันจะหักอยู่แล้วอ่ะมันจะหักมันจะพังเราต้องใช้อย่างไงอให้มันใช้ได้อีกให้มันพอใช้ได้ต่อไปเราประคับประคองอย่างไงเนี่ยรู้อยากประคับประคองชีวิตยอย่างไงไม่ใช่ไปเชื่อหมอว่าอย่าให้ทํางานก็ไม่ต้องทําอะไรก็เป็นก็มีหวังเป็นนามาพาก็าใช่ยังฮะแต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายว่าเนี่ยต้องให้เรารู้อยากแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อใครอ่ะ เราก็ต้องเห็นตัวเราถ้าตอนนี้มันมีเรี่ยวแรงอ่ะยกยกน้ําหนักได้แค่สิบกิโลแล้วเราจะพยายามยกยี่สิบอย่างนี้ไม่ได้แล้วเข้าใจยังนะให้รู้ว่าแล้วอย่างนี้เป็นไงขัดแย้งกันนะนี่แหละความไม่ขัดแยง้งเราเป็นมีเห็นติดใจเราจะไม่ขัดแยง้งเราจะอยู่กับการกับงานแล้วก็รู้ สิ่งใดที่เราทําได้เราก็ทําไปทําไม่ได้เราก็บอกเขาโอ้นี่เราทําไม่ได้ครับได้แค่นี้นะพูดไม่ได้ก็เขียนหนังสือให้เขาเข้าใจนะแล้วเราก็อยา่าขี้เกียจถ้าเดี๋ยวนี้มันไม่มีขี้เกียจนะเนี่ยมันก็พร้อมเนี่ยทําการทํางานมกแก่การแกร่งงานควรแกร่การแกร่งกงานเข้าใจไหมเนี่ยชีวิตมันจะมีคุณภาพขึ้นคืออย่างนี้ อันเห็นนั่งรถโตงงตรงเลือกนั่งถั่วหมะรู้ได้เนี่ยเราเห็นความรู้สึกเลยเนี่ยจะสมงบเป็นความปล่อยความมาดูอะไรก็ดูเฉยเฉยเราไม่ต้องมีคามวิจารณ์ไม่ต้องมีวิภาควิจารณ์ต้องดูเห็นความรู้สึกไม่ต้อมีวิภาควิจารณ์หรือใครยังมาพูดดีพูดไม่ดีเราไม่ต้องหนุดหงิดไม่ต้องลังคาได้ไหมเคยหนุดหงิดลังคาท่นี่พอเห็นความรู้สึกจะหนุนหงิดลังคาเราไม่ต้องหนุนหงิดลังคาได้ไหม บอกดูเองได้ไหมเนี่ยให้รู้ความเป็นจริงนี่แหละคำว่าวิปัสสนามีปัญญาปัญญาวิปัสสนาแปลว่ารู้ธรรมะรู้อย่างนี้ไม่ใช่ไปรู้ว่างไรนะแล้วก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราจะรู้จักอนี้เราจะรู้ว่าที่เราทําอะไรดีและไม่ดีทําอะไรถูกตังไม่ถูกต้องถ้าเห็นความรู้สึกมาอย่าง มันจะรู้นี่แหละเรียกจิตเป็นกลางก็ได้จะไม่ลำเอียงใจเราก็ดีโป่เบาโป่เบาไหมความรู้สึกโป่เบาไหมนี่อย่างนี้หรือจยากอย่างนี้นี่แหละเจอเริ่สติว่าเคลื่อนไหวก็ยังเห็นอยู่เดินจงกรมมันยังเห็นอยู่หรือไม่เคลื่อนไหวไม่เดินจงกรมเดินนั่งนอนทําการทำงั้นสังเกตอะไนี้เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกอย่างไรพอเห็นความรู้สึกมันจะว่างดีเล บางทีถ้าเราเผลอมันจะวุ่นทันทีเลยนะเนี่ยถ้าเราไม่เห็นความรู้สึกมันก็จะมืดอย่างนี้มันจะตันนะจะมีปัญห า, ลาแล้วนะทตนี้พอมาเห็นความรู้สึกแต่ว่ามันยังมีอะไรอะไรอยู่ก็เห็นว่ามันก็สักแล้วว่าอะไรอะไรท่านสักว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อาจจะไม่สบายหรืออาจจะสบายอาจจะทุกข์อาจจะสุขเราก็เห็นว่ามันเป็นสักว่าแล้วก็ทนได้นั่นก็เป็น นั่นเหล่เขาเรียกว่าเป็นเวียกรรมของเราเป็นมิบาตกรรมของเราที่เราเวลาเร า, เราเราเผลอเราไม่เห็นความรู้สึกมันจะถูกปรุงแต่งขึ้นมานัาน่นเราเวีล่ะนั่นหละกรรมละนั่นเราเวีกรรมอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความปรุงแต่งของเรานั่นแหละแล้วคนเราไม่เห็นตรงนี้แล้วนี่แหละมันก็ไม่ต่างกับคนบ้าแหละนะ <c oughs> ก็เหมือนคนบ้า ก็ทําไปตามอารมณ์ไงเขาไม่ได้ดูวะนั่นแล้วก็เป็นทางของกิเลสก็ได้นั่นแหละกิเลสละแต่รู้อย่างนี้มันไม่ต้องทําอะไรควรู้สึกต้องทําอะไรนี่ต้องไปทำภาสนะก็ไปทําสมาธินะก็เนี่ยมีทําเมื่อมีพร้อมหมดเลยสมบูรณ์แบบที่สุดชีวิตแต่ว่าร่างกายอาจจะไม่ไม่สมประกอบนะ อาชีพพิกรมพิการเออก็ได้แต่ตัวรู้เขามันจะเป็นพิการตัวรู้เขามันจะพิการด้วยแต่เมื่เนี่ยหมอจะบอกหัวสมองมันจะเป็ น, น, ไ, น, งปนไงก็เรื่องของมันเราก็รู้เออ่ามันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็พอใจแล้วก็อยู่กับความเป็นอย่างเนี้ยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องไปพิจาร่าหรือไปต ก, กังวอนแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าเราไม่มีอะไรก็ เ, รเห็นก็เฉยเฉย เนี่ยก็เรียวรู้จักปล่อยรู้จักวางก็จะปล่อยได้วางได้จะโราเฉยได้นั่นแหละคือปล่อยคือวางแล้วก็เห็นความเป็นจริงก็อย่างเนี้เราจะเอาก็เป็นนี้เราไม่เอาก็เป็นอย่างนี้เราจะต้องการไม่ต้องการมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันมันตอบอยู่ในตัวเสร็จเลยะเดี๋ยวนี้มีอะไรสงสัยจะถามอะไรมีอะไรเห็นไหมมันหมดเลยมันหมดความสงสัยเลยเห็นไหมมันจะเข้าใจเลยใช่ไหม แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปจําเจซ้ำซากอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อะมันจึงวุ่นอะตัวเราวุ่นเนี่แล้วพาคนอื่นวุ่นไปด้วยเพยายานะเห็นได้ไหมเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทางมีญานนี่เราวิทยาศาสตร์ทางมีญานทางโลกเขาไม่มีสอนอย่างนี้หรอกมีแต่นี่แห ล, ลเรียกวุธศาสละ นะเนีย่ยปจะจ่ตัดทะโลเรื่องอย่างนี้ถ้าเห็นนี้มันหมดปัญหามันจบรู้สึกเป็นอะไรไหมหนูดูความรู้สึกเป็นอะไรบ้าไม่เป็นอะไรนี่แหละแหงนเขาย้ายอย่างถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นมัจะทุกข์ขึ้นมาเลยจิตใจเราจะวุ่นเลยมันก็จะหงดหงิดจะเสียอารมณ์จะไม่ค่อยดีกระทบสัมผัสมันก็จ ะ, ะจะมีปัญหาแหละ อย่าลืมอันนี้นั่นแหละมีสติแปลว่าอย่าลืมภาวะอย่างนี้ภาวะที่ ม, มันว่างหรือมันไม่ว่างบางทีก็เห็นมันมีอะไรเพราะนั่นก็เป็นวิบากกรรมของเราละนะั่นเราปูนแต่งเข้ามากากรกระทําของเราแล้วไปเห็นว่ามันเป็นสักว่าะนะัก็คือเป็นธรรชาติหรือเป็นอนัตตา น, นั่นเองนะมันไม่มีเราอ่ะพอลองดูความรู้สึกมีเราไหมไม่มีนี่ เนี่ยเขาเห็นธรรมชาติมันไม่มีเราพอมันมีเรามันยุ่งทุกทีมันจะทุกข์มันจะหนักมันจะหนักมันจะมันจะมีอะไรเลยนะอันนี้ถ้าเราเห็นเห็นความรู้มันจะพร้อมจะทําอะไรมันจะไม่อืดอัดยืดยาดด้วยแล้วมันจะไม่จะไม่มีท่อแท้เบือน่าย ง่อนที่นั่นเราต้องกลับมาดูความ ร, รู้สึกแคเห็นความ ร, รู้สึกคีเกียจข้ขามันก็ไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วอ่ะชีวิตเราดีอยู่แล้วไอ้ที่มันไม่ดีเพราะเราไปปรุงแต่งเพราะความไม่รู้เพราเี่ยวคว า, าโมโง่ความไม่รู้นั่นแหละอวิชชาไปวโง่นั่นเองโง่ที่ไม่รู้จักอันนี้แต่เราฉลาดฉลาดที่รู้อะไรอะไรแต่ไม่ฉลาดที่รู้เรื่องของธรรมชาติอันนี้ อย่างแจ้งขึ้นมหมหรืออย่างนี้นถ้าร <ulously, S 2> ู <as> ้อย่างนี้เราจะนั่งเท้ายังไงรู้รู้ตัวว่านั่งยังไงสบายไม่สบายก็เห็นความรู้สึกมันก็เป็นเพียงความรู้สึกสบายก็อย่างนี้อย่างนี้มันไม่สบายก็อย่างนี้อย่างเนี้ยเออมันไม่สบายก็รู้จักแก้ไขเออแก้ไม่ได้ก็อย่างนี้อย่างนี้เออแก้ได้ก็อย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่ต้องมียินดียินล หรือต้องการไม่ต้องการถ้เรามันไม่มีผาต้องการไม่ต้องการอยากไม่อยากมันก็ไม่มีไม่จะมีปัญหาที้ไหน อ, อันนี้ให้เห็นอย่างเนี้ยช่วงขณะหนึ่งขณะหนึ่งอย่างนี้ให้รู้จักว่าเขาไม่เห็นธรรมะนี่เอาเถอะจะวีทีไหนจะไปสำนักไหนก็แล้วแต่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่มาเห็นอย่างนี้มันมันดับทุกไม่ได้นี่เรียกว่าค้นทุกข์เลยมันอยู่เหนือทุกข์เลย เเรียกว่าค้นทุกอยู่เหนือทุกอันนี้เรียกว่าโลกุตตละธรรมไม่ใช่โลกียะอังใัยศึกษาให้ดีๆต้องจำให้มันได้จริงๆนะแล้วละนี่แหละตัวแท้ตัวจริงเขาไมัได้เป็นอะไรอยู่และนี่แหละภาวะของพุท ธ, ธะนะรู้เตือนเบิกบามีนะมีสะอาดสวาส่างสงบความรู้สึกไม่มีอะไรนั่นหละสะานั่นแะศีล สว่างรู้นะรู้ได้เนี่เห็นได้โอ้ยอย่างนี้เไม่มีอะไรก็รู้ว่าไม่มีอะไรสว่างก็คือตัวปัญญาเนา ะ, ะก็เห็นได้เห็นสว่างมันเห็นอะเห็นอะไรอะไรเหมือนน้ําใสใสอย่างนี้ฮะเราจะมองเห็นมีตะกอนไม่มีตะกอนอยู่ในโขดเราก็จะเห็นเลย <c oughs> ก็หมายนที่เราเห็นในจิตใจเราเนี่ยนะแล้วก็สงบแล้วไม่มีอะไรก็สงบอันเดียว เนี่ยคนที่มีอย่างดีงก็มีดวงตาเห็นธรรมคืออันนี้นะเนี่ยคําว่าพระโสดาบันแปลว่ามีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอาวัตธรรมอย่างนี้เห็นความสะอาดสว่างสงบเห็นความรู้สึกมันหยุดมันพักมันหยุดมันไม่มีอะไรนิพพานคือหยุดนั่นเอธรรมดาความรู้สึกจะหยุดไหยความรู้สึกมันหยุดไหมมันรู้สึกรู้สึกรู้สึกมันคิดนึกอะไรไปเรื่อยมันไม่หยุดเลยนะ นั่นแหะทรมานนั่นแหะอยู่ในวัฏฏ์โสมสารเวียดไยตายเกิดจำเจซ้ำซากอยู่นั่นน่ะนั่นก็เหมืออยู่ในนรกนั่นอาบายบแล้วอบายภูมิแล้วนะนี่ถ้ามาเห็นอย่างนี้ชัว่วแวบเดียวนะเดี๋ยวเราหลงไปก็เข้าไปอยู่ในอ บ, บายอีกพอเราเห็นอยู่งี้ก็เรียกว่าโลกตะละภูมิเหนือโลกอเหมือนในโลกเราเนี่ยเห็นไหม เนี่ยได้ศึกษาวิทยาศาสตร์มีแม่เหนยวมนุษย์อวกาศที่พอมันออกค้นจากโลกเลยมันไปร อ, อยอยู่ที่เขายิงดาวเทียมขึ้นมามันทำไมไม่หลนะ่นน่ะมันมันไม่ไม่อยู่เหนือความเดึงดูดเข้าใจนะจิตเราเนี่ยเหมือนกันเบียดกันกโลกโล ก, โลกหายนอกเหมือนกันเลยลองดูทีน่ะนะอะไรเงมันไม่ผูกพันไม่เกาะเกี่ยวความรู้สึกอ่ะเขาไม่ผูกพันไม่เกาะเกี่ยวอิสระนี่อย่างนี้ หรือว่าจยากอะไรไม่มีอะไรเดินดูดเลยโลกนี่มันมีอะไรเดินดูดแล้นะ ไ, ไม่เอาโลกเนี่ยมันจะหมุนนะฮะถ้าไม่เอาเนี่ยหล่นหมดเลยถ้ามันไม่โลกนี้มันไม่เดินดูดไปแวมันจะหล่นหมดเลยใช่ปะนั่นเนี่ยเหมือนยาเทียมมันยึงไม่หล่นอะ่ะ พอมันพลจากภาวะที่ดึงดูดก็เนี่ยอยู่ที่ตัวเรารู้ที่ตัวเราดูที่ความรู้สึกของเราเไงได้ไงเตือนตัวเตินใจกันไหมเห็นความอัศจรรย์ไหมฮะเห็นหรออย่าลืมอันนี้แต่มันเคยจะลืมอ่ะเราเคยระลึกรู้ว่ควรลืมมานนี้ นี่แหละประโยชน์สูงสุดของชีวิตของมนุษย์เข้าใจงไหมที่อธิษฐานเนี่ยสวดสังฆทานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยต้องเห็นนันนี้นี่แหละประโยชน์อันสูงสุดของมนุษย์แหละเพื่อถึงนิพพานก็เันนี้ก็ดิพานตอนเป็นๆไม่จะตายไปแล้วก็อเป็นนิพพานสวรรค์นรกก็อยู่ตรงเนี้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ไปเกิไม่ไปยึด ปิดใจเบาว่างก็รู้ว่าเบาว่างนั่นก็เป็นสวรรค์ถ้าจะเป็นเรารู้สึกเบาว่างนี่เป็นเราแล้วเห็นความรู้สึกสักแล้วว่าความรู้สึกมันเบามันว่างมันเฉยเยรารู้เฉยเฉยมันไม่เฉยเรารู้ม่ไม่เฉยแต่ไม่เฉยนั่นเราไปปรุงแล้วเรามีความคิดเห็นเข้าไปแล้วใส่ความคิดเห็นเข้าไปแล้วนี่ยเหมือนเราเล่นคอมพิวเตอร์เราใส่ข้อมูลเข้ามา คอมพิวเตอร์ซือมาเฉยๆตั้งไว้เฉยๆอย่าใส่ข้อมูลจะมีอะไรไหมเหมือนไงไหมเหมือนจิตใจไหมเนี่ยเราเรียนมาพยายามเอาเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองที่วิชาที่เรียนมานะแล้วมาเปรียบเทียบ ก, กับที่ตัวเราวันนี้เห็นประโยชน์ไหมแ้วเดี๋ยวนี้พอเห็นอย่างนี้มันจะรู้อะไรเป็นอะไรหมดมันจะไม่มีคําถามเลยว่าจะถามอะไรไม่หมดสงสัยอ่ะ ต้องเห็นนะถ้าขณะดไ้ไม่เห็นมันสงสัยอีกครับมาถ้าเห็นมันพ้นอ่ะมันอยู่เหนืออะมันอยู่เหนือโลกอ่ไอ้โลกก็ตัวเราเนี่ยโลกไอ้ตัวรู้นั่นตัวนตัวโลตัวนั้นเขาไม่ได้เกิดไม่แก่ไม่เจ็บตายนั่นเรียกอะไรไม่ได้เขามีนะเขารู้นะที่รู้ได้เนี่ยที่ที่ดูฮะรู้ได้รู้กายรู้ใจเดี๋ยวนี้มันนั่งอยู่ไงเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกก็รู้ได้ตัวรู้เนี่ยเขารู้ได้ ก็อยู่กับอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอย่นี้เนี่ยถ้าเราดูเห็นความรู้สึกเราจะทําอะไรเราจะเห็นการตาดูเลยกายดูข้างนอกยังเห็นไหมยังเห็นความรู้สึกไหมโปร่งเบาไ้มใจดีไหมความรู้สึกมันดีอ่ะเนี่ยเราก็อยู่กับความดีอันนี้อ่จะไปหาความดีที่ไหนเนี่ยเรียกว่าบุญก็ได้รู้จักบุญนะเนี่ยบุญ จะไปหาบุญที่ไหนอ่ะถ้าไม่รู้จักอันนี้มันจะมันจะได้บุญที่ไหนเข้าใจขึ้นไหมว่าบุญระยงอยู่ที่ไหนก็ทำได้ขอให้เรารู้อย่างนี้นั่นเราเรียกความเพิ่ผู้มีบุญไม่ใช่ผู้มีบาปมีเวรมีกรรมถึงร่างกายเลยจะพิการก็เรื่องของอะไรเามันก็เป็นอย่างเนี้แล้วมันยังไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องรู้จากหน้าที่หน้าที่ของมนุษย์ ขยายอะ่ะก็ต้องรู้จักทําหน้าที่นะเนี่ยมาอยู่นี่ก็ต้องรู้อยู่หลายวันก็รู้ว่าที่มีทําอะไรกันั้างนะมีอะไรที่ต้องทํามีอะไรต้องช่วยทำก็ทํำด้วยความพอใจแล้วก็ตัดให้มันมีความพอใจแล้วแบมันมีพอใจแล้วก็มีความสุดก็เห็นความรู้สึกนะก็ใช้ความรู้สึกใช้ร่างกายใช้มือใช้แขนใช้ไปอ้าแขนมันไม่คอยดีขาไมคดีเราก็รู้จักใช้ยังไงไม่ให้มันพังอ่ะไม่ให้มันช้ำอะ่ะ หรือพลังงานที่เราต้องออกแรงออกอะไรนี่เราก็ต้องรู้อช่ไหมใช้ไงมันถึงยังไม่ไม่เปิดไม่ไม่ไม่ไสูญเปล่าใช่ไหมได้อย่างเงี้ที่หมอเดินคนนี้เออทํางานหน้าไม่ได้เดี๋ยวว่า ไ, <c oughs> ไอ้ไ อ, เ อ, อ้เลือดอะคือเลือดของเลือดขาวอะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้ารู้จักอย่างนี้เห็นไหมแล้วหมอมันไม่รู้เราอย่างนี้ย นะแล้วไปทำตามหมอนี่เป็ น, นำอำมาตย์เลยฮนะเขาเขาไม่ให้ทำงานก็ดีสิเพราะเราขี้เกียจอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำแล้วยิ่งสบายจต่มันไม่สบายยิ่งทุกข์อ่ะใช่ปะ่ะนั้นได้ทำก็ได้ออกเรียวออกแรงนะเท่าที่ได้ขยายเนี่ยหมดปัญหาจบชีวิตต้องดูเื่อยเ่ยเนี่ยฝึกอันนี้ ถึงวเดินจมสังอยู่แบเเห็นว่าตาดููฟังยังไงรู้สึกอยู่มจะตอยนีจิตใจโผจะเป็นอะไรที่ไหนมันไม่ได้เป็นอะไรใช่เพราะเราไปจมอยู่กัแล้วก็ไปฟังหมอหมอไกอกโเราเป็นนู่นเป็นี่ิดก็เลยไปจมอยู่กันันน่มันก็ไปยึดกมันก็ไปยึดเป็นติดใช่ไหม อย่างนี้พมาเห็นมนถอดออกมันถอนออกอยากอะไรอะไรแต่นี้ใครจะพูดยังไงก็ะชังเนี่ยหลวงพ่ออ่ะดีเขาบอกนี่หมอเขาบอกเป็นมะเร็งต่อน้ําเหลืองกระจายไปทั่วแล้วนะหลวงพ่อเป็นระยะสามตอนนั้นเขาบอกระยะสามจริงจริงมันระยะสี่มันระยะสุดท้ายหลวงพ่อเฉยเฉยตัเนี่ยเห็นความรู้สึก ม, ม, ม, มันไม่มีมันไม่ได้เป็นอะไรความรู้สึกก็ไม่ได้เป็นอะไรเว่าไงเขาว่าไงเขาว่าเออดีดีดีเออเป็นมะเร็งก็ดี ก็ดีหมดคนเนี่ยร่างกายมันก็เป็นดีก็อย่างนี้ก็ดีอ่าถ้าดีก็ดีถ้าเป็นเราร้สึกมันยังไม่ดีอนะถ้าเป็นเรารู้โอ้ร่างกายเราไม่ดีก็พลอก็แปเรียกร้องจนะทุกข์แม่นะี่แล้วเียวแล้มันไดนะ้ได้อย่างเราใจคิดใจไมนะไม่ได้ราะนอกจากต้อง ยอมรับความจริงให้เห็นความเป็นจริงอันนี้เขาอกว่าอย่างของวิปัสสนาทำวิปัสสนาแล้วเพื่อจะให้รู้เห็นตามที่มันเป็นจริงตรงนะั้นไศึกษาแล้นะนหะผ่านมาต้องหลายสำนักบางทีก็ฟังฟังเราไม่เข้าใจามันก็ไม่ได้ผลอะไรนะทําแล้วก็แก้ปัญหาอะไรแต่อันนี้ไม่ต้องแก้นะ พอรู้ความจริงเนั่ยมันรู้อะไรเป็นอะไรนะไม่ต้องไปแก้เลรารู้ตัวนี้ฟังดีๆแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่ไปขัดแย้งกับใครผู้ใจดีใครว่างก็ได้ฟังได้ฟังเฉยเฉยได้ฟังได้มันก็ยจะไม่ไปเถียงกับใครไม่ไปทะเลาะกับใครไม่ไปขัดแย้งกับใครหรือใครจะมาทําอะไรกับเราก็ได้ใครก็ทํากับเราได้ เราอย่าไปทำอะไรกับเขาดาีถ้ารู้อยากอย่างนี้เราก็จะอยู่ด้วยสังคมอยู่ที่ไหนก็ได้จะไม่มีปัญหารู้มากๆเรียนมากๆ ม, มีปัญญาี่ทีหลังก็ไปสอนคนไปแนะนำคนมันเนี่ยแหละเป็นโอกาสของเราเลยนะ นี่คนท่ไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่าโอ้นี่เรามีปมด้อยไม่มีเนี่ยมีปมด้อยอะไรล่ะแต่คนอื่นเขาเห็นนะอาจจะคนอื่นเขาเห็นอาจจะเร า, เ อ, าจจอาจจะมีปมได้อยนะมะหมายถึงร่างกายแต่จิตใจเราไม่มีอะไรด้อยแล้วะเนี่ชีวิตเกิดมาถ้าไม่รู้จักอย่างนี้แล้วมันไม่มีค่ามันมีราคาหรือวะเสียชาติเกิดและเกิดม า, าไม่รู้อะี่เสียชาติเกิดจริงๆ เป็ค น, นเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ให้รู้จักอันนี้นั่นแหละที่มันพิการ น, นันแหลดีแล้วเราจะได้เข้าใจทำมากขึ้นหรือว่าเป็นบุญก็ได้ถ้ามาเรียนมาเก่งเงี้ยดีงนี้เดี๋ยวก็ไปทำค่าทํางานก็เลยหลงไปเลยเดี๋ยวได้บา้าตามโลกไปแลลหละหลงไหลกับโลกไปเลย